ควนติดขาดตัญญาควรติดขาดธรรมะมันมีความสุขความสบายให้ถึงสงบสี้รื่อเกาะเรื่ อ, อแจกถานขื้แจกจิตมันไม่เรืยกให้มันวุ่นวายตลอดไปมันไม่สุขไม่สบายให้แต่นั้นการที่เจรนาแจกไขกจิตใจยิ่งเ็นหนากี่ของพวกเรานกบวชทุกคนจะควรฝึกฝนที่นีเจรินาไม่อย่างนั้น จะเป็นพระคูอหุดประเสริฐไม่ได้จะเป็นสมณะคือหูส ง, งบไม่ได้มีแต่สุ่ส่านลำคาญลบควนจิตลบควนใจท่องตัวแล้วลบควนคนอื่นเพราะความไม่ส ง, งบไม่มีอาจมีธรรมกายนี้จึงเป็นที่ตั้งของปัญญาหากที่นี่ีพิเจนาตามเป็นจริงแล้วกายนี้ เป็นสถานที่ศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยของพ่าริยะจทุกองค์จะต้องกำหนดทุกองค์จะต้องพิจิตรเรินาศึกษาเมื่อเข้าใจในเรื่องกรรมฐานท้งห้าในเรื่องของกายจะจากชัดเจนแล้วคนนั้นจะกลายออกไปจากผู้ทุชนคนหนาจะเป็นพระอาริยะผู้เผยเิด <c oughs> ไกลจากขาดสึกคือยิ่งเล็ดทั่วไปจะไ่ไหมนะรบกวนจิตใจทั้งตัวแต่ฐานที่ศึกษามันมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาจะมีอยู่ในตัวให้กําหนดดูนี้พิจารณาดูนี้อย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่น ตัณเตีตัวคลองตัวยังหลงตัวคลองตัวแล้วจะไปหลงสิ่งอื่นอย่างไรได้ถ้าทราบตัวคลองตัวถอดถึงเรื่องอื่นนั้นมันก็ถอดถึงไปเหมือนกันพาเราเป็นอย่างไรคอนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยมันเข้าใจในตัวคลองตัวชัดเจนขนาดไหนเข้าใจจริงจังแล้ว มันเป็นโลกับวิถีรู้แจ้งโลกคนทั่วไปมันเป็นเหมือนกันในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตใหม่มันเหมือนกันกับที่เราพิจารณาอยู่นี้ความไม่สงบของจิตความไม่เยือกเย็นของจิตความเห็นผิดของจิตถ้าเรายังเห็นเป็นมิจฉาทิฐิไม่เห็นถูกเห็นต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ทำวุ่นวายก่อความต้องกีดกันหาแม้ตัวก่ควนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าแม่ตัวยังคิดยังจูงไปได้พระพุทธเจ้าประนี้ผานไปแต่ใจเข้าถึงอัดถึงธรรมศึกษาเรื่องธรรมะในตัวของตัวรู้ทั่วไม่มีอะไรที่จะสงสัยพระพุทธเจ้าปรินี้พานไป ความสงบงของใจของผู้นั้นก็ยังมีอยู่เพราะเขารู้เขาละสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆฉะนั้นพวกเราท่า น, นาา ท, ตตที่มีโอกาสมาปฏิบัติจึงกำหนดทีนีท้ที่แจนะในเรื่องของกายให้ทั่วให้ถึงเรื่องของกายจะเรียกว่า สติปัฏฐานมันก็ถูกจะเรียกอนุสติมันก็ถูกกายมันเป็นของหยาดพิจารณานี้ก่อนเมื่อพิจารณาของหยาดเพื่อถึงไปแล้วของละเอียดนั้นมันจะเกิดสุนเห็นขึ้นมันจะจุดข้องยังสัมผัสอยู่กับอะไรเมื่อพิจารณาเลื่อยเข้าไปนี่คือการพิจารณาเหมือนกันกันกบเขา ถากไม้เปลือกมันเป็นของหยาบกระพี่มันเป็นของหยาบเขาไม่ต้องการเขาจะต้องถาออกมาเสก่อนเมื่อถากออกไปหมดแล้วแกนมันมีอยู่คือไหนคือควรจะนําไปทําประโยชน์เขาก็าแบกตัวหามเอาไปถือเอาไปเฉ็นเอาไปมีการที่จะได้นากายความจรยงกายมันไม่มีความหมายอะไร นอกจากใจโท่านั้นใยนี้ถ้าหากเราพิจารณาเข้าถึงภายในถึงใจจริงจังมันจะเป็นก้อนอันหนึ่งถึงเป็นที่อาศัยเท่านั้นนั่นไม่มีความสำคัญหมั่นหมายว่ามันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาหน้าที่ของมันเกิดมาแต่ควรและแตกสลายอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าสมัยใด การใดเราจะรู้จะเข้าใจหรือเราจะหลงมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่นั้นต้องศึกษาให้รู้ให้ถอยใจอย่างจริงจังจนจิดของตัวไม่ติดในเรื่องของกายทราบได้ว่าเรื่องของกายเป็นแต่คี่พักที่อาศัยเหมือนกันกันกบบ้านท่องที่เราพักษาอาศัยถึงไฟไหม้หรือ มันพางลงไปอันนั้นมันเป็นบ้านเราสร้างเอาใหม่ได้สรูเอาใหม่ได้ไในใจเรื่องของไราลมหายไปดยบ้านตายไปดยบ้านนี่การก่อเกิดภบชาติต่างๆจะทําทนองเดียวกันคนที่มหมดชีเลตายอันนี้มันแตกสลายไปในใจใจมันตายไปมันจึงก่อภพก่อชาติอยู่เรื่อยเมื่อมันหมดชีเลศทําลายปัญหา อุปาทานอาวิชาภายในติ้นไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะใจของเรารู้ใจของเราชราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องศึกษาเหมือนกันกับความอิ่มไม่ต้องศึกษาคนได้มันกว่าทราบเด็กเกิดใหม่ใหม่มากกว่าทราบถ้ามันอิ่มควรทราบตีควรจะศึกษา เรื่องการจะอิ่มจะทําอย่างไรในเรื่องวีมูสก็ทํานองเดียวกันท่านจึงสอนเอาไว้แต่เรื่องการสาธุดปฏิบัติเรื่องวีมูสนั้นท่านจังไม่อธิบายกันกว้างขวางเพราะเหตุไรเพราะถ้ามันเป็นในใจแล้วทุกคนย่อมทราบไม่มี้้อสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาอีกจึงควรลงมือสาธุดปฏิบัติแต่แต่เบื้องต้น อย่าไปเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องสําคัญเกษารามานะัขาธันตาแต่โจนี้เป็นของสําคัญสำหรับพวกเราท่านจิตมีชีวิตห ล, ลงไหลใส่ฝันเอาจริงจริงจังจังอยากได้หัวหัวยึดถือในข่าวเรามีปัญญาหรือเราหาปัญญานี้ได้จึงไปลงหลงไหลใส่ฝั น, นทงจิตมี ชะประโยชน์อย่างนะพระพุทธเจ้าเองจึงให้ศึกษาให้พิจัยนะให้ทั่วถึงให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าจริงเหล่านี้นั้นมันเป็นของชั่วของเสียของเน่าของเหม็นมาอยู่ในการบังคับบัญชาของใครจะหลงไหลเท่าไรก็เกิดทุกเท่านั้น หากันที่นี้ที่ใจนาพากันศึกษาพอเพืป่ปฏิบัติเมือ่อเข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ใจมันละใจมันวางใจมันปล่อยไม่ยึดไม่ถือไม่มั่นไม่หมายในสิ่งเหล่านี้เราก็มีสิทธิ์ใชมันได้ตามธรรมดาจะไปจะมาจะยืนเจอเหินเดินเจอเหวินไปที่ไหนก็อเอากายอันนี้หละไป แต่เราไม่ลงหลไม่เดืยึดถือความจิคิดจ่าเรา่ององเราเหมือนกากอนนี่เอจิตใจาบตามความเป็นจริงของมันก็ยังมีิช้าอยู่แต่เมื่อมันหมดลมไปเมื่อไรมันแตกลายออกไปก็เป็นเรื่ององมันเราไม่เสียใจการเกิดมาเราเดือดที่นี่จา การเกิดมาลรวเดกสะสมคุณความดีเพราะอาศัยกายอันนี้ภาษาภาวะ้าเดินจงกรมสารนาวนาธเหวนทุกโษในโลกในสงสารนี่คือการเอาประโยชน์จากความเกิดของตัวเกิดมาถ้าที่นี้พิจาาศึกษาปฏิบัติกายวายจาใจ ตามอาตามทำแล้วคนนั้นจะไม่เสียใจไม่ได้คิดว่าตัวเป็นโมคะในการเกิดของตัวถึงพบชาติจะยังมีอยู่กดทราบว่าเราจากสถานที่นี้จะไปสู่ความสุขความสบายในพบชาติใหม่ยือเย็นไปเสดที่เศษยิ่งกว่าที่เราอยู่นี้เพราะเราได้สะสมคืย ง, งามความดีทางกายทางวาจาทางใจ มากพอแล้วไม่ได้เสียใจไม่ได้เสียดายเหมือนคนจากล้มไม้หรือจากกระ๊อบไปอยู่ห่างร้านใหญ่ๆไม่มีความเสียใจไม่มีความเสียดายที่อยู่ที่อาศัยก่อนของตัวเพราะเหตุใดเพราะที่เราไปอยู่ไปอาศัยมันมีคุณค่าสราระกว่ามันดีกว่า มันสบายปากอันนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงหลงไหลกันไม่อยากตายแต่ใครเล่าในโลกเกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีมันผิดคติธรรมดาทารีย์เจ้าพระพุทธเจ้า ส, สอนแล้วว่ามีเกิดที่ไหนมีตายที่นั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเพราะความตายมันมาจากความเกิด แต่เราจะเป็นคนไปเสริดวิเศษมาจากที่ไหนเกิดมาแล้วจริงจะไม่อยากตายกันมันเป็นไปใไนด้ที่เราเหูเหงื่ออย่างนั้นเพราะพวกเราทันเห็นว่าตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกไหมจะไปสู่ความสุขความสบายอย่างไรมันเ น, นืดมิดจิดบางเอาหมดเพราะจิตของตัวไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างเพราะจิตจะทราบได้ ว่าเราจะกายอันนี้จะได้เกิดสถานที่ใดจะมีความสุขความสบายอีกไหมถ้าเราทราบเราเข้าใจก็เหมือนอย่างว่าจากกระสอบจากห่มไม้ไปอาศัยสถานที่ใหญ่โตสวยงามเราไม่ติดเสียใจอะไรการไปของเรามันมีความหมายมีความบังอยู่ข้างหน้ามองเห็นอยู่แล้วนี่คือคนสะสมคุณงามความดีในตัว ย่อมทาบย่อมพอใจอย่างนั้นมาอย่างนั้นก็มีการอะไรใส่สันมีการเสียใจร้องไห้เสียดายร่ากายมันจะแตกจะสลายไปยิ่งเจนผู้ประพฤติปฏิบัติถึงขีดสุดยิงจังแล้วพาราหาเวปันจากขันธ์ขาขันธ์ั้งหาเป็นพาลหนัะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถึงชีเิตตั้งหา ภายในในรับถอนไปหมดแล้วก็ออยังได้รับผุดชอบยัง่งในรับทุกข์จากกายหนาวมันก็หรู้จักร้อนมันก็รู้จักมันมีอยู่ทุกอย่างแต่จิตใจนั้นไม่มีอะไรที่จะล่จะบําเพ็ญขันจึงเห็นว่าขันทั้งหาเป็นภาลันะเมื่อขันวางขันปล่อยขันไปเมื่ อ, อไรขันไม่ได้รับ ขาระนาที่ส่วนนี้ท่านจึงฝึกจึงสบายเต็มที่เรียวกว่านิพพานด้วยดักสนิทไม่ได้แดกเลยหามหัดขันอีกมีฝุดต่อพุทธปฏิบัติถึงที่สุดท่านยอมทราบได้อย่างนั้นมีพวกเราท่านยังไม่ถึงขั้นจงพากันต่อพุทธปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นการปฏิบัติอย่าไปสงสัยลังเลใจ บางแผนบางคนมันจิตําหรับจาลามันเก่งในการศึกษาคำที่นั้นบ่ายอย่างนั้นคำทีน่นี่บ่ายอย่างนี้การปฏิบัติสมาธิภาวนาต้องมีศีลให้มบูรณ์เสียก่อนบริสุทธิ์เสียก่อนจึงจะพุทธปฏิบัติได้ทาไม่มีศีลบริสุทธิ์พุทธปฏิบัติจะไม่เกิดสมาธิหรือเกิดก็จะเป็นมิจฉาไป เข้าใจอย่างนั้นแล้วไปตรวจตาอาดีตสีนของตัวผีผ่านมาในทราบะ่าผีสิดปีแต่เราทำในดีอย่างนั้นเราทำในดีอย่างนี้ในก้าที่จะนั่งสมาธิจะทําความเขียะะนภาวนาเพราะว่าสีนของเรายังขาดตกบกพร่องอยู่ถ้าไปคิดอย่างนั้นนั่นจะนี้โอกาสเวลาที่จะเด็ะะะกภาวนาสัต แต่เมื่อทําชั่อทาเสียล่ะเด็กจคิดไหมแล้วเมื่อทําไปมันเกิดทุกข์เกิดโทษไหมถ้าใช้สติเราไม่ได้คิดอะไรมีการปฏิบัติยังให้ถือเอาปัจจุบันเป็นสําคัญอย่าไปคิดทางหน้าทางหลังให้จิตใจว่ารุ่นให้จิตใจขุ่นเคืองต่างๆดูปัจจุบันทิ่เจริญาปัจจุบันกายท่งพวกเราท่าน ปฏิบัติกันอยู่นี้มันมีอะไรผิดจากศีลศีลจะคือการรักษากายหมาจานทกายของเราเดี๋ยวไป่าดสารรักษาจะพูดผิดในกรรมไหมเราต่างคนต่างนัง่งต่างคนต่างอยู่ไม่เดียไปทำเชื่อทําเสียอะไรมันบริสุทธิ์อยู่แล้วอย่าไปคิดอดีตสงผ่านมาแล้วถ้าไปคิดอดีตจิดใจ ไม่มีเวลาที่จะสงบให้การคิดปัจจุบันการดูปัจจุบันเป็นเรื đây, อ่องสาคัญของผู้ปฏิบัติปราชญ์ก็เม่ได้โกหกโมทเทสกับใครเงียบอยู่แล้วจะมีอะไรที่จะเสียหายทางศีล่างหน้าทางตากาหนดภาวานาให้เข้าถึงธรรมะองนั้นพระอังคุริมาท่านทำมาอย่างนั้น เป็นสนานาของพวกเราท่นานเด็กกาบเลยว่าเพราะท่านจะเคยทงชั่วมาแต่หมือเวลาท่านที่ที่เจอนาะท่านปฏิบัติธรรมะท่านไม่เอาใจเพราะท่านสายแสบไปหาอาดีต่ีงท่านอยจะทำมาท่านกิงสงบนี่พวกเราท่านไปคิดว่าธรรมะข่อนั้นธรรมทีนั้นมันได้ยอย่างนั้นธรรมทีนี่มันว่ายอย่างนี้คิดไปเทอะอะไรมันสงบไหมมันอิ่มไหม เหมือนกันกับเราคิดเราทานอาหารมาตั้งแต่หลายเดือนหลายปีมาแล้วอันนั้นอร่อยอันนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันอิ่มไหมการคิดนั้นมัน ม, มีวันอื่นถ้าเราไม่ทานใหม่นี่การปฏิบัติใจกว่าทํานองเดียวกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติลงไปกําหนดลงไปอย่าไปช่งสายแต่ทําทอย่างนั้นความสงบมันจะเป็นมิจฉา หรืเป็นสัมมาแล้วควรใจซามันมันเป็นมิจฉามันจะสงบได้หรือมันมีแต่เจมันฉุดเลื่อยไปแหละมันไม่ถูกปากหลอกมันจะไปอิ่มท้องอะไร้ทำไมมันลงในปากมันถึงจะอิ่มพ้องมีการกำหนดที่เจรินาหยุดสงบได้มันจะเป็นเรื่องสัมมามันจึงสงบได้ให้เจริญนาอย่างนั้นอย่าไปคิด มากคงมากสายแสไปหาเรื่องอันใหม่โดยใจปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันจิตของเราชางเมือ่ออยู่ในปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันมันมีวันมีเวลาที่จะสงบระงับแต่หน้ญญาแต่งตาปฏิบัติไปใจไม่สงบใจไม่เห็นใจไม่เตืนใจไม่รู้สัญญาสิเรียนมามากขนาดไหน มันก็ไม่สามารถแก้ไขที่เหลืได้ถ้าหากเราแก้ไขที่เหลือด้วยการจํา ม, มาด้วยสัญญาที่ศึกษาเราเรียนมันจะยากอะไรเขียนดีมุดดีหมวกอย่างนี้ก็เขียนได้จำเอาเดียวนี้ก็ได้แต่วันมีมุดงุดดีหมวกไม้ใจมันเวลาขาไม้มันหมดจากหลบจากหลงไหมถ้าข้าศึกเราจําได้หลกโกหลงมันเป็นใคร การละโลกและสวยละหลงมันสูกมันสบายแต่มันเป็นไปไหมถ้ามันไม่เป็นไปนั่นมันคือสัญญาหากเราไปพูดปฏิบัติตะงงระงับลงไปภายในใจรู้ใจเห็นใจดีใจเด่นใจเย็นใจสบายโลกมันอยู่ที่ไหนหลงมันอยู่ที่ไหนมันก็ทราบความสงบของมันเชื่อไม่เคย เนเคยเป็นมากก่อนมันก็ัวทราบพอมันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสบายนี่มันไม่เห็นไม่เป็นมีแต่แก่ความงสงสัยลังเลอยู่เรื่อยไปมันก็เลยมีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติสะดวกสบายให้พอใจขี้สงสัยนำแก่ทิศดีมาตางอยู่นั้นในเดินทางสักทีดูแต่แทนที่มันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ที่ไห น, น เ ด, นดนนินไปไม่ดูแทนที่มันก็ถึงเินไปในจ่องทำมันคิดอ่านวันนี้เขทําอาหารจากอะไรเอาเกลือใส่มากขนาดไหนน้ำปลาใส่ขนาดไห น, น, น, ไหนอะไรต่ออะไรพขารุงเขา ผ, าผาสมไม่ต้องไปคิดว่าไหนทานลงไปเถอะคทานอื่มมันจะเกิดขึ้น ม, มัวจะใจคิดอยู่นั้นไม่ทานมันยังมีวันที่จะอีก มีการลงมือไปพูดปฏิบัติกับท่า น, นองเดียวกันแต่นั้นสวกเราท่านพร้อมอยู่ทุกคนที่จะต้องการทําจะต้องบําเพ็ญไม่มีอะไรขาดตกบกช่องจะมาฐานชั้นห้าคือเยสาเรามานะขาทิานตาจ๋าเจมวมันจะมีความรู้เกีจิตมันจะมีที่จะทิฏฐิเจนะให้มันละมันถอนมันปล่อยมันวางสิ่งเหล่านั้นจึง พร้มทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร้องที่จะปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติความสงบสงัดความางงรู้แจ้งเย็นชิงในสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันมีมันก่อสร้างพอธรรมะในใช่ของปิดของเปิดผู้ปฏิบัติจึงเป็นสันทิฏฐิโกที่จะรู้จะเข้าใจเกี่ยวกตัวของตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้นี่คือการปฏิบัติธรรมะทางศาสนาหน่ยต่างหน้าต่างตาไปเรปฏิบตัติมีธรรมะมีสติมีปัญญามีวิชาริมุตในตัวในต้องไปคิดไดปปรุงอะไรอื่นให้มากว่าศาสนานี้จะมีคนศรัทธาเลื่อมใส จะมีสนสนใจไปปฏิบัติอีกไหมขอให้ตัวของตัวปฏิบัติให้ถึงจิตถึงขั้นให้สุกให้สบายเถอะความกังวลเรื่องนอกมันจะหมดไปเขาจะสนใจหรือไม่สนใจเป็นเรื่องของเขาขอให้เราได้รับความสุขความสบายเป็นผวเอเาตัวยอดเอเาตัวหอดเป็นยอดดีเราไม่ใช่ พระพุทธชายแจ้งฟองจีจะมาลื้อมาถอนใส่จิตจิตคล่องอยู่ในวัดตาสงสารเราเป็นสาวกเจ้าถือกระดับรับสังธรรมะของพระพุทธชจ้ า, าเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้ดีเสียก่อนให้เห็นให้เป็นเสียก่อนมีกําลังที่จะช่วยเหลือในสองคนอื่นจะช่วยเหลือไปไม่มีกําลังเราจะหลับตาคายวันตายเท่นั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ในความบริสุทธิ์ของเรามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเพราะทุกท่านคงที่นิเทศนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติความสงบสงัดความสุขความสบายนั้นจะไม่มีวันมีเวลาที่จะหายไปจากการจะทำบําเพ็ญของผู้ผู้เห็นถั่วไปยคนเห็นคนเป็นในใจจะเชื่อจะเลื่อมใส จะไม่ดูหมิ่นนินทาว่าศาสนาหรือคนปฏิบัติธรรมะเป็นโมฆะเพอเห็นเพราะเป็นในตัวของตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าวะชั่วว่าเสียแล้วก็ได้ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้บำเพ็ญแล้วก็ได้บำเพ็ญละก็ละไปหมดแล้วบำเพ็ญก็บำเพ็ญเต็มแล้วจิตของเราหลุดแล้วพ้นแล้วไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าพบชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรอีก นี่คือที่สุดในการประพฤติปฏิบัติแต่นั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาสั่งหน้าสัางตาปฏิบัติธรรมะเป็นอาการลิโกไม่มีการมีสมัยใครประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมทิ่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้คนนั้นจะสุกกายสุกใจคนใดไม่ประพฤติปฏิบัติถึงธรรมะจะมีอยู่เต็มโลก ก็ไม่ให้คุณข่าสาระอะไรแกเขาคนนั้นแต่นั้นพวกเราท่านเมื่อได้สะดับรับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโคจงนำไปพินิจพิจารณาสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดที่ควรบำเพ็ญก็ละไปบำเพ็ญไปจากกายราจายใจของตัวเมื่อทุกคนละชั่วบำเพ็ญดีก็มีโอกาสเวลาจะถึงวิชาวีมุต การอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสงควรเจ็ดเวลาพออยู่ที่เพียงแค่นี้